ทางทำก็ <c oughs> อยากบอกอยากสอนละมั่นใจมั่นใจในธรรมอย่างมั่นใจในวิธีปฏิบัติธรรมมั่นใจในการกระทาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ไม่มีอะไรจะมจั่นใจเท่ากับการปฏิบัติธรรมเพราะมันเป็นกรอบเป็นกรรมมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่ทำได้ปฏิบัติได้ทุกชีวิตหลายอย่างที่ทำให้เกิดความมาั่นใจทิงแว่ล้อมที่อยู่อาศรรัยหมูมีเพื่อนผง ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีน้ำคิดน้ำใจมีกายมีใจมีรูปมีน้าเหมือนกันหมดทำที่ปฏิบัติก็เหมือนกันหมดทำอย่างเดียวกันหมดไม่มีทำคนละอย่างรูปที่เราทำสิ่งที่เราทำก็เหมือนกันเป็นรูปเป็นนามมีการกระทําเหมือนกัน ทำเหมืนอื่นไม่มันม่นใจเหมือนการปฏิบัติเมื่อสอนตนเดงได้ปฏิบัติตามทำจริงจริงได้ก็ก็คิดถึงเพื่อนถึงมิตคิดถึงคนที่ทำไม่ได้คิดถึงคนที่หลงในสิ่งที่เราไม่หลงแล้วคิดถึงสิ่งที่เราไม่ทุกในคนอื่นที่เป็นทุกเพื่อนเราเป็นทุก ก็ตือลือล่นไม่ปล่อยกันทิ้งแน่ดอนในความเป็นอยู่ของพวกเราก็เห็นหน้ากันทุกวันตอนเช้าตอนเย็นไอเห็นหน้าก็อุ่นใจว่าทำาไ้ไนเราเป็นอันเดียวกันความเป็นอยู่ก็หมวนกัน แล้วการปฏิบัติธรรมนี่นั้นไม่มีอะไรที่แตกต่างกันถ้าเรามีสติเห็นกายก็อันเดียวกันหมดมีสติเห็นความคิดก็อันเดียวกันหมดความคิดก็เป็นแบบเดียวกันคือความคิด กายก็เป็นอางเดียวคือกายสิ่งที่แสดงออกจากกายก็เป็นอย่างเดียวกันสิ่งที่แสดงออกจากจิตคือความคิดก็เป็นอย่างเดียวกันคือความคิดแต่เป็นอะไรก็ตามคือความคิดเหตุนั้นคือความคิดเป็นทวารของใจทวารของกายคือวาจาคือกาย ที่มันแสดงออกเหมือนกันหมดเ้ามีสติมันเนี่ยไม่หนีจากตาเอดวงตาคือธรรมะคือสติไปได้ดูแลได้คำพูดที่มันออกมาก็อยู่กับกายการแสดงออกก็อยู่กับ นารบพูดที่แสดงออกมาก็เป็นวาจาอยู่กับกายการแสดงออกก็เป็นเรื่องของกายความคิดเกิดจากกิจใจมีอยู่สามทวารดูแลกันคุ้มดูแลตัวเองคุ้มเก่งทวารที่สาคัญที่สุดดูแลเห็นแล้วศึกษาแล้วคือทวารใจคือมันคิด ทวานใจคือความคิดเป็นมือเป็นอะไรของจิตใจใจจริงๆไม่เป็นอะไรได้เหมือนหัวใจที่มันเต้นทว่าใจหมายถึงวิญญาณธาตุที่มันรั่วแล้ได้รั่วแล้วได้คือมันคิดแสดงออกได้ความคิดเป็นทวารของมันถ้าคิดผิดก็ผิดทันที ถ้าคิดถูกก็ถูกทันทีถ้าคิดสุข ก, ก็สุขทันทีด้คิดเป็นทุกข์ก็ทุกข์ทันทีเอาไอ้ความคิดเป็นตัวสั่งการทันทีเราก็เป็นไปตามความคิดทันทีอย่าจริงเป็นก่เป็นกรรมการคิดดีการทําดีมันอยู่ที่ติที่เป็นผู้ดูแลถ้าคิดพิษก็รูสอนจิตที่เหมือนคิดพิษ สอนความคิดเห็นความคิดงานที่มีสติไปเห็นความคิดทำได้ทุกคนทำได้ทุกคนความคิดแล้วก็ไม่มีสตาอาวุธอะไรไม่เหมือนยุงไม่เหมือนตะขาบไม่เหมือนงูไม่เหมือนโจรผู้ร้าย เกนผู้ร่ายมีดาบในมือเราสามนาทีเจรจากันได้อันความคิดที่มันเกิดจะเราง่ายกว่านั้นอีกได้มีสตินะเห็นความคิดที่มาได้ตั้งใจที่มันคิดขึ้นมา ทวันนี่สำคัญที่สุดดูแล้วศึกษาดูแล้วเทวันคือเทวันเกิดจากกาคือความคิดนี่จึงมีคำพูดปิงกระกทาออกเป็นกายทวนัววนวจีทวันกายทวันก็ผิดศีลวจีทวันก็ผิดศีล ที่แรกมันเป็นผิดตั้งแต่ความคิดแล้วไปปรับสินเวลากายเทวนไปปรับสินผิดเวลาวาิจีเทวานนั่นเป็นตอเหตุเราจะไประวังอยู่ที่ตรงนั้นโดยที่ไม่ระวังความคิดมันก็ไม่จบไม่สิน่นถ้าเราปฏิบัติทรมมันจะเห็นความคิดจริง เอาตั้งแต่ต้นตัวมันเองเหตุมาอยู่ที่นี่ทำทั้งหลายเกิดที่เหตุดับที่เหตุอ้ความผู้มีสติเพ่งพินิษมีสติปัญญาอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับความคิดก็ก็จะไม่มีผลที่ทําให้เป็นสุขเป็นทุกข์เรามีความสุขความทุกข์เพรความคิด จะเกิดความโกรธความโลภความหลงความรักความชังเกิดจากความคิดเกิดจิเล่าั้นหลายค้งเกิดจากความคิดตัวคิดตัวนี้แหะผิดฉินมากที่สุดไม่เคยเห็นไม่เคยตื่นตรงนี้งูอยู่ในความคิดไม่ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจโน้มเนื้อเสียแล้ว เป็นเจ้าถิ่นที่เป็นใหญ่ในชีวิตทั้งหมดเลยเวลาเราปฏิบัติธรรมก็มีความมั่นใจมันสลุกมันเห็นจุดอ่อนจุดแข็งไม่สติเท่านั้นที่เห็นความคิดแต่บางคนไม่มีสติไปหยุดคิดไม่อยากให้มันคิด ถราทำงามาเถอก็หาวิธีที่จะไม่ให้มันคิดหาใส่รูปแบบกดเอาไว้ค่มเอาไว้ามกว่านั่งหลับตาบริกรรมเอาไว้ฉีดเส้นเอาไว้หายใเจเข้าพุทธหายใจออกโทเพื่อไม่ให้มันคิดได้มันก็สงบความสงบเป็นผลของ การฝึกแบบนั้นเวลามันออกจากความสงบมันก็เหมือนเดิมเหนั้นสิลาทับหญ้าอเอยศิลาออกหญ้าก็งอกขึ้นมาไม่จบไปชึ่นสักทีการนั้นไม่ได้ฝึกไม่ได้สอนไม่ได้จับมาสอนให้มนแสดงให้เห็นความผิดความถูก เหมืนเราฝึกหัวฝึกคอยเทียมค่าเทียมเกวีนเวลามันผิดก็สอนมันมันจะจะเป็นไม่ใช่จะทำให้มันอยู่นิ่งนิ่งมันก็ไม่ได้ทํางานนั่นอยู่นิ่งไม่ใช่ไม่ใช่มฝึกใส่งานมันก็ไม่เป็นเช่นฝึก้าเทียมผ้าเทียงเถย เมื่อมันไปซ้ายก็บอกไปขวาเมื่อไปขวากันก็บอกไปซ้ายแล้วก็เมื่อไปตรงก็บอกให้ไปตรงตรงไปไปบอกคังเดียวไปไปกับซ้ายกับขวานั่นเป็นคสอนถ้าไปซ้ายก็บอกไปขวาถ้าขวาึ้นไปก็บอกไปซ้าย แล้วก็มาถ้ามันไปตรงบอกมันตายตายมันก็ไม่โงกไม่มองหน้าเรามันก็ดันไปเลยคือฝึกใส่งานการผึกตัวเองก็มีเวลาตรงอยู่ลูกอยู่มันลูกอยู่จะไปฝึกอะไรไปเขี้ยนอะไรมากมายเหมือนหัวเทียงเกลียนเวลามันไปมันดันอยู่ก็ไปตีมันทำไมตีมันก็ไปลู่เรื่อง ตอนทั้งที่ดันอยู่มันมาตีมันลงโทษมันไม่รู้เรื่องจะให้ทํำยังไงดีหนีไอ้หนีแอกแต่ทิ้งทิ้งแอกอยู่บนคอสลับทิ้งเลยจะไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องแม้แต่ฝึกลิง้งมีพระวัดหนึ่งท่านเลี้ยงเลีงขึ้นมะพร้าวเราไปดูท่าน ท่านให้ให้เลิงขึ้นมาเพ้าอ่อนมาสู่พวกเราฉันเราไปดูมันคนที่ดูก็บอกมันไม่ได้เจ้าของบอกคนอื่นบอกแล้วก็ง้กไปดูคนนั่นง้กไปดูคนนี้ม่ไม่รู้เรื่องมันก็ลงมาเจ้าของบอกว่ามันไม่รู้เรื่องให้ผมพูดคนเดียว แล้วก็พวกเราก็ไม่พูดพอกมาขึ้นไปมันก็เจ้าขอมก็บอกมือเอามือไปจับมันเอามือไปจับลูกมาพ้าวเจ้าของเออแล้วเอาลงมานล้วมันลงมาลงมาไปจับลูกนี่เอาลงมาลงมาก็บอกมันเอาลงมาอ่พ่อก็พ่อพ่อบอกว่าพ่อลงมามันก็ปิดเอาลูกหนัง มันก็อุ้มลงมาเมื่อเดียวอุ้มลงมาลูกอุ้มลงมาทำไมลูกเนี่ยมาวางไว้มันก็มองหน้าเจ้าของตามตาปิ๊บปิบมันต้องการให้ปอกให้มันกินโอ้มันอยากมันหิวเจ้าของก็ปอกปอกเราปาดหัวมันให้เห็นน้ามันก็มองหน้าเจ้าของไม่กินโอ้มันอยากได้หลอดเอาหลอด <laughs> ถอดไล่มันก็ดูดมันก็ดูดดดนี่ลิงอมันรู้จักมันต้องการอะไรเกของเคยเห็นนิดเสริมันสอนกันได้อันนี้เราจะสอนตัวเองไม่ใช่คนนั้นคนนี่หลงเราหลงเองต้องสอนตัวเองคนอื่นช่วยไม่ได้เรามีสติทำไป อย่าไปเคลื่อนเลยมากถูกหรือผิดบางทีเราทํำอย่างไรถือความรู้สึกตัวนอ้องอะไรคือความรู้สึ ก, สกตัวคิดเถอะหน้ที่คิดมันก็ดับเบิลหลงไปแล้วถ้าสัมผัส ด, ดูหนึ่งรู้พลิกมือขึ้นรู้สึกนี่แหละคือสติยกมือขึ้นรู้สึกนี่คือสติ เวลามันหลุดจากมือไปมันคิดเพงเห็นแล้วก็รู้สึกกับมานี่คือรู้สึกตัวคิดไปก็หมดลงแล้วสอนจิตที่มันคิดแล้วสอนความคิดแล้วบางคนจะหยุดความคิดเวลานอนหยุดความคิดไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดทำท่านวดทำท่านี่หลับตาบีบตาตัวเองให้หลับหลับมันก็ยังคิดอยู่วิธีฝึกทำยังไง ก็อาจจะกระเด็กนิ้วให้ลูกอยู่ที่นี่ก่อนเอาใส่ในมิดเหมือนที่เราเคยฝึกถ้าไม่ชำนี่ชำนาญถ้าฝึกอยู่ที่การชำนานแล้วไปฝึกอยู่ที่จิตก็ชำนานมันอันเดียวกันไม่ได้ฝึกถ้าเป็นแล้วไม่ต้องฝึกมันเป็นแล้วทำให้มันเป็นอะไรที่มันถูกก็จะบอก เวลามันผิดมันก็บอกมันไ ม, ไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีอะไรรู้จึกรู้ตัวเองเท่ากับตัวเองนะจึงมั่นใจที่สุดฝึกกรรมฐานวิชากรรมฐานนี่เป็นวิชาที่มั่นใจที่สุดเลยในการกระทํารุกหยากในโลกกรรมที่เกิดจากกรรมฐา น, นเป็นกรรมที่ศักดิ์สิทธิสุด สามารถทำได้ปฏิบัติได้ที่ที่มันเกิดจากกายจากใจที่ไม่ถูกไป่ต้องเอาให้มันถูกต้องได้หมดสึ่งไหนที่มันเป็นธรรมชาติสึงไหนที่เป็นอาการรู้หมดรู้หมดเอาไว้ให้มันยื่นให้เป็นคืนยื่นคืนให้มัน นี่คือความไม่เที่ยงเกิดกับรูปนี่ความไม่เที่ยงเกิดกับรูปนี่ความไม่ใช่ตัวตนเกิดกับรูปนี่ความเป็นทุกข์เกิดกับรูปคืนให้มันคืนให้รูปไปมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองตาตาตาเป็นเช่นนั้นเองเกี่ยวกับมันเท่านี้แค่นี้เพียงนี้ไม่เอามาเป็นจุกขเ ป, ป็นทุกข์ ที่เกิดกับลูปที่มันเป็นธรรมชาตินี่มันเป็นดาการนี่ก็พิวผิวผลผนไม่ใช่เจ้าถิ่นเจ้าการอะไรมันแสดงออกเป็นข้างเือนขาวแต่ควมไม่เที่ยงมันเป็นอยู่ของมันเองไหลอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่เที่ยงรูปนี่ชั่วโมงนี่ก็ไม่เที่ยงก็ไหลไปสู่ความแจ่ความเจ็บความตายของรูป นี่คือธรรมชาติของรูกไม่ใช่ตัวใช่ตนออกมาเป็นโศกเป็นทุกข์อันที่มันผิดศีลผิดธรรมที่เป็นทวารของกายก็ไม่ใช่ตัวหนึ่งเป็นสิ่งที่มาจากความคิดที่เกิดจากความหลงให้กายแสดงธรรมความชั่วทำผิดเป็นทุกข์เป็นโทษต่อตัวเองและคนอื่น ไปชูบุรีเกิดจากความคิดเราจะโล่เกิดจากความคิดไปลักคนนั่นเกิดจากความคิดไปเกลียดคนนั่นเกิดจากความคิดให้กายเป็าานทวารและทำทำได้สำเร็จโอดเขาให้โอดเกิดจากความคิดเกิดจากความหลงสังกายไปฆ่าไปตีลูกเกิดจากความคิดเป็นความโอดความลกูกลักเขาทาให้ผิดศีลอมชั่วไป บางทีก็พูดชั่วอาวานตัวการมัคือจิตจปรับทุกปรับโทษตัวเองคือปรับตัวหลงคือปรับกวาคิดออกมาตรงนี้เละทีเดียวทำไมจะไม่มั่นจังมีสติเห็นมันอยู่เวลาใดที่มันคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเรามีสติเป็นเจ้าเรือนเจ้าถิน่น เห็นกายอยู่เป็นประจําเหตนาเมื่อเกิดบางครั้งบางข้าวดอกแต่ว่ากายที่เห็นอยู่เป็นประจําเป็นประจําฝึกมันจนติดจนมันเห็นไอ้ทั้งหมดอาจจะเป็นตัวลู่จากตัวไปฝันตัวหลงไม่ก็มันได้ฝึกมันดอก แ, แต่มีตัวลู่ไม่ได้ทําอะไรมันตัวหลงเหมือนเสงสว่าง จากจัดความมืดอย่างเปิดสวิกไม่ใช่เปิดดับหลดไปที่มันแบบจับหลดไปให้มันสว่างมันไม่ใช่ต้องมากดสวิเกเหมือนอยู่ที่นี่เกื้อมหลงกว้ทุกความรักความชั่งเคยจกควบหลงดอกตัวนี้รู้สึกตัวตัวนี้ ความคิดดับตัวหลงความสุขดอกตัวหลงควาทุกข์ดับตัวหล ง, ลงมีสติเป็นคู่กับตัวหลงรู้คู่กับตัวหลงแล้วก็มีเหตุทุกอย่างมันเกิดตัวเหตุจะดับประดับที่เหตุจึงทําได้นะปฏิบัติธรรมนะ่มีความมั่นใจอยากให้มันหลงให้ดูอยากให้มันทุกข์ให้ดูอยากให้มันโกรธให้ดู อยากให้มันรักมันชังให้ดูจะได้รู้มันจะต่างกันไหมความที่มีสติดูอยู่เหมือนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะต่างกันอยู่จะบอกอยู่ความเท็จความจริงมันจะบอกดูู่้วลามันผิดมันจะบอกมันจะรู้จักเฉดหลาบรู้จักอ่อยนี่ก็หลงไม่ก็คิด ไอ้ความคิดตัวเองไม่ใช่อายคนอืนอ่นอายคนอื่นยังเป็นอนุบาลยังช่วยตัเองไม่ได้ยังจะทําชั่วถ้าอายคนอื่นกลัวคนอื่นกลัวาบาปกลัวกรรมจะมาตามมาอันมันก็เกิดทันทีแล้วหลงก็เป็นกรรมแล้วเป็นบาปแล้ว โกรก็เป็นบาปต่อทดลอไดงไงต่อต้องมีสติดีจะไม่ให้เปิดเพื่นอนเลยล่ะขยันตรงนี้มากนะปฏิบัติธรรมไม่ปล่อยทิ้งบาทีปฏิบัติก็ททำอยู่แล้วคือลูกอยู่เหมอต่อไปมันจะเปลี่ยนกันเองมีหลงก็มีลูกเองต่อใหม่ใหม่ หลวงก็ต้องมีกําหนดมาลู่ที่กายปติตั้งตอนฝึกหัดเหมือนเราดูหนังสือเขียนหนังสือเราสงสัยตัวก็ไก่เขียนยังไงก็ดูกรดดัดตูหนังสือดูกระดอนเลขห้าเขียนยังไงก็ดูกระดอนเล 5, เขร เ, รรล เ, ลเราทําคณิตศาสตร์บวกคูนเฉลยช่องยังไม่ได้ไม่ติด ป, ปากดูสูตรคูณ สองห้าก็เป็นเจบวกกันเข้าลบก็บวกเอาออกตอมดูเอามาเป็นกองเรยสอนเด็กอนุบาลแไก่ออกไข่วันลวฟองสองวันได้ไข่จีฟองการเป็นรูปไข่หนึ่งวันได้หนึ่งฟองแล้ว ไข่วันละฟองวันที่สองไข่อีกฟองหนึ่งสองวันนี้ได้กีอันเด็กน้อยก็ตอได้สองอันแล้วสองอันสามบ้านไข่วันละฟองอได้กี่อันสองคะแนนศาแล้วก็เห็นลูกเห็นวัตถุที่งองเห็นแล้วก็มาอยู่ที่จายมันก็คิดได้การเจริญสตินี่ มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนมีกายอยู่แล้วมีความรู้อยู่แล้วถ้าจะเขียนกันรู้ลงไปที่ก่อถ้ามันหลงความชํานาญรู้อยู่แล้วก็รู้ไปเองของมันเองก็เป็นปัญญาไปแล้วออกจากทุกไปแล้วปฏิบัติดีดดรู้อยู่แล้ว เวทตรงก็ตรงอยู่แล้วตรงไม่ถูกตรงต่อความรู้ปฏิบัติออกจากทุกข์เปลี่ยนร้เป็นดีมันเปลี่ยนมาเองอส า, าหลวงพ่อเทียนบอกว่าสอนว่ามีสจิตดูจิตมีจิต ด, ดูจิตตรงนี้สำคัญจิดมันจะดูแลจิตในความสุขความทุกข์เป็นเรื่องของจิตจิตจะเวีนเปลี่ยนขก็มันเองจิต มีสติดูจิตมีจิต ด, ดูจิต ด, ดูแลตัวเองดูแลตัวเองความเราคิดทวารของกิตคือมันคิดมันก็จะจบสิ้นไปที่ไม่ได้ตั้งใจไม่แต่จิตที่ใช่ให้คิดมีแต่ใช่ให้คว ม, มีแต่ใช่ความคิดมีแต่ใช่ตาใช่หูใช่จมูกใช่ลิน้นใช่กายใช่ใจ นี่คือมีจิต ด, ดูจิตมันจึงว่าจิตเป็นใหญ่สำเร็จที่คิดจิตเป็นเจ้าของจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจะพูดจะทำจะคิดมาได้หลงมันจึงกลายเป็นโอ้ถูกทอมถูกคิดถูกแล้วจึง เหมือนกับเราที่ขอเทพสูตรสมาติสมาสังกัปปะดับหลีชอบตามรีจังไรดับหีอย่างไรเพียนละอโกชนที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกเพียนละโกชนที่เกิดขึ้นแล้วเพียนป้องกันอกชนเที่ยงไม่เกิดไม่เกิดขึ้น นี่คือตำลึงเฮียนประกอบกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นเพียงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญมากขึ้นมันก็มีต้นนี้นีกุศลมีอกุศลต้นโตของกุศลลธรรมราดเงาของมันเราจะละ อกุศลที quet, ่เกิดกันแล้วได้อย่างไรเราจะป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะสร้างกุศลที่เกิดกันแล้วเราจะสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นจะสร้างอย่างไรเราจะรักษากุศลที่เกิดกันแล้วให้เจริญขึ้นเราจะทําอย่างไรไม่ใช่เพียงแต่สวดิ์เฉนะคือกรรมฐานนี่แหละ การละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นคือมีสติปเป็นในกายยเป็นประจําำไงละก็กุศลที่ยังไม่เกิดที่ที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นนีกมันหลงกับลูกละและ้วแต่ละตรงที่มันหลงบ้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นลูกอยู่เป็นประจํามีสติปเป็นในกายเป็นประจํา นี่คือป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นกับการงมฐ า, ม า, ามนนี่ไม่มีอะไรที่จะยอดเยี่ยมไปกว่านี้เลยมั่นใจตรงนี้มากแล้วสร้างกุศลที่เกิดขึ้นแล้วสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นรูปอยู่เนี่ยรูปอยู่เนี่ยรวมรูปสึทธตัวที่เป็นกายอยู่เสมอเป็นมารดาอกุศลเป็นกําเนิดที่เกิดกุศลขึ้นมารูปอยู่เนี้ย การสร้างกุศลที่เกิดก็นแล้วเจริญมากเ ก, ก, กินๆก็ยันรู้ภาวนาก็ยันรูปกุศลนี่คือทั้งละกุศลทั้งสร้างกุศลนันหนึ่งจะหมดไปอันหนึ่งจะงอกงามขึ้นมาโดยวิชากรรมฐานมาฝึกที่กายมันจะได้เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรม ทั้งหมดไม่ได้หลอกกันอย่างจริงตงัวนน้ไม่ต้องมาศรัทธาผู้บอกผู้สอนศรัทธาทรศรัทธาในวิธีปฏิบัติมันมีจริงๆกุศลและกุศลในชีวิตของเรานี่เกิดจากกายจากวาจาจากจิตใจเนี่ยมีจริงจริสมัมผัสดูก็ได้อ๋อ จ, จะสมัมผัสดูได้มามากแล้ว เรความหลงความไม่หลงความโกรธควาไม่โกรธความทุกข์ความไทุกขความโลภความไม่โลภกิเลสตัณหาราคาการทุงการแต่งการจงโฮกันปกติมันต่างกันอย่างไรไม่ต้องทดลองบากคนอาจจะเคยชูบุรีเวลาหยุดชูบุรีมันจะเป็นอย่างไรบางคนอาจจะเคยดื่มเหล้าวันนี้ไม่เลิกดื่มเหล้าไรมันจะเป็นอย่างไร เฮ้ยหลงไม่หลงจะเป็นอย่างไรเฮ้ยทุกข์ไม่ทุกข์จะเป็นอย่างไ ร, ไ ม, งไรมันจึงเรียกว่าพุ่นภาวะเดิมผู้ปฏิบัติธรรมล่องยู่ลิ่งเห็นจริงตามสมวนแก่ผู้ปฏิบัติ ต, ป, ตป็นไปเองจึงเป็นของขัของมันเอาศรัทธาวิธีปฏิบัติศรัทธาในธรรมศรัทธาในความรู้สึกตัว นั่นใจะในความรู้จักตัวเพื่อไปใช้ในความในทางที่บรรลยถงมันไม่ถูกต้องอย่างนี้นะไม่มีอะไรที่เ ป, เป็นกรอบเป็นกร ม, มากกว่าวิชากรรมฐานสิ่งที่เราพูดในการพังนี่ก็เป็นเพียงแต่โชเชียท่านเชียรหรือโชยุค ธงชัขึ้นสะบัดไปข้างหน้าเหมือนพระพุทธเจ้าก็าอยู่เฉพาะหน้านี่แล้วถ้าเราปฏิบัติดีเวลาเราหลงเวลามานก็รั่วออก็ไม่หลงพระเจ้าไปทางนี้อยู่ข้างหน้านี่แล้วมานี่มานี่เหมือนกับดึงเราไปอยู่เวลาเราทุกข์พระเจ้าก็ไม่ไปไปทางไม่ทุกนี้ วุฒะหมายถึงตัวมาถึงตนมาถึงธรรมรูดตื่นเปดิดบอลในความเศร้าหมองในความหลงในหลงตื่นมาแล้วในความทุกข์ไปทุกข์ตื่นออกมาแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าจับมือเราดึงไปอยู่เราตะโกนอยู่ปฏิบัติได้เปลี่ยนปฏิบัติได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ อันนี้เจ้าสังขารลาสังขารเกิดขึ้นแล้วนั่นน่ะไปหลงอยู่ที่ไหนล่ะไปยืดว่าตัวตนหรือความหลงของโกรธนั่นล่ะเจได้อยู่เจได้อยู่เปียนลงมาถ้าเปลียนลงมาได้แวกมันลงมามันไม่มือดอยู่นะั่นเสมอไปหรอกแบกมันลองอมาเอี่ยหมกมุ่นอยู่ในชีิตนั่นแบกออกมาแบกออกมา บอกแบบวมาสู้ชั่หน่อยแล้วกรรมฐานก็ช่วยเพิกมขึ้นยกมือช่างจังหวะแจ้งจังปังเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความหมกมุ่นกับชิดมาเป็นความรู้จักตัวเมื่อเป็นกรอบเป็นกรรมอย่างนี้ปฏิบัติทำเมือได้ผาดงพงไผ่มันจะได้เข้มแข็งผาดงความหลงผาดงกิเลสตัณหา ใครก็เคยมีคนมีลูกก็คิดถึงลูกคนมีเมียก็คิดถึงเมียคนยังไม่เคยมีลูกยังไม่เคยมีผัวเมียก็อาจจะคิดในโลกแบบนั้นพาโลกมามาถึงความรู้จึกตัวรถของโลกมันก็มีโน้มใจไปมันก็ปิดบังเอาปิดบังเอาพ่อเข้าพ่อหนกเป็นพาละอึ้งไปเลยนะ แบกมาตกปลาอาตัวอย่างมีตัวอย่างมีพระันทั้งหลายหนุ่มๆสาวๆเยอะๆพระภิกษุภิกษุนีไม่ใช่เราคนเดียวไม่ไม่เปี่ยวเดียวดายการปฏิบัติธรรมนี่ไม่เปี่ยวเดียวดายอย่าอ้างีตัวมีตัวนั่งข้าเป็น พระผู้แก่พวกผมเป็นพระผู้หนุ่มมันก็ให้เป็นความหนุ่มบ้างไม่อยากให้ฟังวิทยุพวกผมก็เป็นหนุ่มนะเราชอบฟังเพลงฟังอะไรมันสนุกสนานดีหลวงพวกก็เจอแล้วพลวกก็ททำได้มันไม่ใช่อย่างนั้นหนุ่มคนแก่ไม่เกี่ยวกับการฝึกตนสอนตนแก่แก่พระอายุ เกิดนานก็เหมือนกับเป็นเด็กอยู่แกต้องแก่เพบความรู้สติปัญญาหนุ่มก็หนุ่มน้อยเพความรู้สติปัญญาผู้เกิดร้อยปีไม่มีสติเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้เหมือนคนเกิดไม่ไประโยชน์ส่วนคนเกิดมาไม่นานเปลี่ยนหลงเป็นรู้เห็นความทุกข์เปลี่ยนเป็นความไม่ทุกข์อาการเกิดดับเรื่องนี้ได้ มีประโยชน์กว่าคนที่เกิดมานานๆ น, น่าจะดีกว่าคนแก่ๆไม่ใช่เอาอมาอ้างบักทีผู้พันอาจูะน้อยมาเป็นผู้กากับการตรวจแจ้งข้อจำาลยลองข้ออบรมจะเสจติด สั่งตำวดพูดเท่าเดินตกเท่าข้อหนาไม่ได้สั่งรอผู้พันเดินมาตํารวจพ่อหนอพูดเท่าไม่ได้เป็นผู้พันมีวุฒิภาวะมีวุฒิภาวะไม่มากเดินตกเท่าเข้าใจเขารบมันก็สง่างามกว่าคนแจก นอเป็นคนหนึ่งแล้วแตนหนุ่มเป็นสาวพระหนุ่มๆนมมายชาีสาสๆอย่าไปอวดด่างแอ้แต่ผู้เท่าจะจะแล้วทาไม่ได้ไ อ, อันหลงอันรูน้นี่ไม่เกี่ยวกับการเจกทุกคนก็เปลี่ยนได้เองไม่มีความเจกในความหลงไม่มีความเจกในความรู้มันเป็นกิเลสทันหนาเป็นอาการที่เกิดกับมนุษย์เกิดกับกากับใจ ไม่ใชอ้างมันมันอยู่ที่สติสตินี่จะไม่อยู่ไม่ใช่เป็นเก่เป็นหน่มนะไม่ใช่ปัญญาตเป็นโยมดอกไม่ใช่ตีวสัตว์ดูกับการกระทําของเราเนี่ยเดี๋ยวการกระทําของเราเนี่มั่นใจสักให้มันเจอเรื่องนี้สัก น, นาทีหนึ่งสอง น, นอาทีให้มันใจอย่าทำอะไรจนงมงมงสาวสาว ท้อมอยู่ก็ไม่มั่นใ จ, จเฉงเอเฉงออยู่แล้วก็ไม่ชำนชนาญเป็นผีมือไม่ได้เหมือนช่างไม่สร้างสันจะเป็นลูกน้องของคนเขาอยู่แต่สร้างสันยังหน่อยแล้วก็เป็นหัวหน้าเขาได้ชีวิตเหี่การฝึกตนสนตนเพียงพอ ช่วยตัวเองเป็นก่อช่วยคนอื่นได้ทันทีแล้วถึงที่ถูกมันเป็นสากลจริงที่ผิดก็เป็นสากลเป็นความรู้จึกตัวเหมือนกันหมดอมหลงก็เหมือนกันหมดเป็นสากุลจนานาญตรงนี้เราในความจนานาญตรงนี้ไม่ตามอะไรแล้วคนอื่นผู้ผิดเราจับ รวังรู้จักใครเป็นทุนภาดใครเป็นบัณฑิตไม่ใช่ว่าจะค่อยตามเชื่อใครบางทีเป็นพระเลยยังกลัวผีกลัวอะไรต่างๆอลยเราจึงมันจจก็คิดสรุปเลาวคือความคิดที่เป็นทวานของกิจสำคัญ ก็มันคิดก็นมาเกิดความพอใจไม่พอใจมันเป็นสําเร็จความคิดแล้วไปถึงความพอใจไม่พอใจคิดที่เลยก็ไปถึงความพอใจไม่พอใจมันก็อยู่อย่างนั้นเคยชานาญไปเรื่องนั้นมันไต่ไก่แล้วเป็นพบเป็นชาติไปแล้วความพอใจความไม่พอใจที่เกิดจากความคิดเป็นทวารของควเป็นทวารของใจที่มันคิดได้สาเร็จแล้วเป็นกรรมแล้ว ความพอใจก็เป็นกรรมก็มไม่พอใจเป็นกรรมอยู่ในกรรมอำนาจของกรรมไม่พ้นกรรมเมื่อมีความพอใจมีความมมกพอใจก็เกิดอะไรไปีกหลายภพหลายชาติอาจจะเป็นเป็ดเป็นสุรการเป็นสัตว์โลกเป็นเนยฉานได้เราจะมีสติเห็นความคิดคือมันคิดมันยังไ ป, ไ, ป, ไ, ปไม่ไปถึงความพอใจไม่พอใจ มันก็หยุดลงเหมือนกับทิ้งก้อนกวดใส่ฝาผ น, นังตกลงเราสักแต่ว่วาคิดสักแต่ว่ามันคิดไม่ไปถึงความที่มันติดเป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นรินเหนียวรองผัดชาเวทนาเป็นเวทนาไปแล้วสุขเวทนาไปแล้วทุกเวทนาไปแล้ว เ ก, กิดจากความคิดก็มีเวทนาเป็นสุขทุกข์เป็นผูป้ป็นชาติหรือเวทนามีสติเท่านั้นที่เห็นความคิดรู้สึกตัวรู้สึกตัวตามอย่างนี้มันจะสั้นสั้นเวทนาจะไม่ต่อจากความคิดมีแต่สัจธรรมคิดจสัตธว่าคิ ด, คดสัจธรรมตาเห็นสัจว่าได้ยินสัจธรรมได้จินสัจธรราได้สัมผัส แล้ก็ชั้นมาจากนี่ไม่ไกลไปไม่ไปตกลเรียกว่าธรรมะกับมือเดียวก็ยุไหมฮะมัวแตนั่งนอนเด้ออ่ากามพมกรับ